เมื่อวานได้กล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทา้าวสกกะกล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงเนี่ย8 ป, ประการเมื่อคืนได้ข้อเดียวเองข้อเดียวก็คื อ, อพระพุทธเจ้ า, าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชาวโลก ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์ความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท้าส ก, กะบอกว่าท่านไม่เคยเห็นมาเลยในอดีตนะจบจนถึงปัจจุบันบุคคลที่จะทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำสิ่งที่เกื้อกูลทำสิ่งที่เป็นความสุขแก่ชาวโลกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช่นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้เลยนะนะ สาเหตุที่ทำให้เท้าสกะชื่นชมสรรเสริมพระพุทธเจ้ามากก็เห็นว่าในบรรดาบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ไม่มีผู้ใดที่จะปฏิบัติเช่นกับพระพุทธเจ้าก็อย่างเกิดการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เนี่ยนะเจตนางดเว้นจากการฆ่ายอมว่ามีเท่าไรเพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ยุติการฆ่าเนี่ยมหาศาลการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายุยติการลักทรัพย์ยุติการประพฤติผิดในการยุติการพูดเท็จพูดสอเสียดให้เขาแตกแยกกันบุคคลเลิกพูดคําหยาบบุคคลทั้งหลายเลิกพูดคําเพ้อเจอ้อมากมหาศาลการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำให้บุคคลจํานวนมากประพฤติกายสุจริตละกายทุจริต บุคคลจํานวนมากประพฤติวจีสุจริตละปจี ท, ทุจริตประพฤติมโนสุจริตละมโนสุทุจริตให้ชนจํานวนมากเจริญอธิศีลให้ชนจํานวนมากเจริญอธิจิตให้ชนจํานวนมากเจริญอธิปัญญาให้ชนจํานวนมากปฏิบัติเพื่อบรุโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลการเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยนะทำให้บุคคลจํานวนมาก บรรลุสกทาคามีมัคสกทาคามีผลอนาคามีมัคอนาคามีผลอรหัตตมัคอรหัตตผลถ้าจากอดีตจบปัจจุบันเราจะเห็นว่าผู้ที่ตรัสรู้มัคผลนะนีไปสู่สุคติโลกสวรรค์บรรลุมัคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้านั้นหาประมาณไม่ได้อย่างพระสูตรสู่แรกที่พระพุทธเจ้าตรัสนะเนีสูตรแรกคือธรรมจักกับปวัตนะสูตรเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย โดยเฉพาะเทวดารวมทั้งพรมเนี่ยบรรลุ18โกธก็ประมาณเท่าไหร่18โกดก็ร้อล้านนะแต่ว่าพรมทั้งหลายเนี่ยมาจากหมื่นจักรวาลเทวดาและพรมเนีนะ่ยมาจากหมื่นจักรวาลนั้นที่ตรัสรู้ตามเนี่ยมากถัดจากนั้นเรื่อยๆมาเนะี่ยก็มีผู้บรรลุตามครั้งละห้า0ันครั้งละห0ื่นครั้งละแสนครั้งละหลายหแสนบางสูตรเนี่ยบรรลุทีละเป็นแสนะอย่างเช่นพรมนารถากัสปชาดกเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสในสมาคมญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยบรรลุตั้งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนแล้วก็มงคลสูตรเนี่ยบรรลุหาประมาณไม่ได้จุลรารหุโลวาทาสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้มหาสมัยสูตรก็บรรลุหาประมาณไม่ได้ตอนที่แสดงย ม, มะกะปาฏิหารก็บรรลุหาประมาณไม่ได้บรรลุเป็นหมื่นหมนเป็นโกดแบงนั้นเถอดตอนที่แสดงอภิธรรมปิฎกก็บรรลุจํานวนมาก ตอนที่ลงจากเทวโลกก็บรุจจำนวนมากนั้นหลายครั้งที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ดื่มอมะตะธรรมตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะบันลุมรคผล น, ผนิพพานนั้นเท้าส ก, กะท่านก็กล่าวว่าไม่เคยเห็นศาสดาเช่นนี้เลยและขณะเดียวกันเนี่ยนะท้าส ก, กะเองเนี่ยเป็นพระโสดาบันก็เพราะลงมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งท้าส ก, ก่เนี่ยจะหมดบุญ หมดบนเนี่ยแปลว่าเหงื่อแตกเลยนะเทวดานี่เวลาจะตายเนี่ยเขามีเครื่องหมายหลายประการด้วยกันเช่นหนึ่งผิวพรรณเนี่ยเศร้าหมองดูจะดูเหมือนเป็นคนแก่เลยทันทีนี่ยก็เรียกว่าผิวผิวพรรณเนี่ยเศร้าหมองดูย่นเลยมันกันเถอะข้อหนึ่งะข้อสองเหงื่อนี่ออกรักแร้เลยปกติเนี่ยอุณหภูมิของเทวดานี่มันจะไม่ไม่ไม่ไมีเหงื่ออะไรแต่นี่เหงื่อออกรักแร้เลยนี่ข้อต่อไปเนี่ยดอกไม้ประจําตัวนี่เฉาดอกไม้ประจําตัวนี่เหี่ยว อย่างข้อต่อไปปกติแล้วเนี่ยจะยินดีในที่อยู่ของตัวเองมากแต่วันนั้นจั ก, กรวณกระวายนะเครื่องไม้เหล่านี้บอกได้เลยว่าอีกไม่เกินเจวันมนุษย์จะตายไม่ใช่เจ็วันเทวดานะถ้าเจ็ดวันเทวดาก็เจ็ดร้อยปีแต่ถ้าเจ็วันมนุษย์ก็ไม่กี่นาทีของเทวดาก็แปลว่าตัวเองจะตายแล้วเมื่อรู้ว่าตัวจะตายนี่เป็นยังไงก็เดือดร้อนเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะ อ, อย่างเช่นเท้าสักกะเนี่ย พอรู้ว่าตัวเองจะตายเนี่ยต้องจากศูญย์เสียอะไรไปบ้างศูญเสียเทวโลกสองชั้นทันทีหมดจากอะไรนะปกติปกครองสวรรค์ชั้นจาตุ ม, มหาราชปกติปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงจะต้องจากสวรรค์ทั้งสองชั้นนี่เลยนี่ข้อที่แรกอั่งที่สองเนี่ยมีบริวารปกติมีบริวารประมาณสองล้านอันนะั้สองล้านห้าปกตินะเฉพาะที่ที่คอยมาบํารุงตัวเองเนี่ยเรียกว่ามีบริวารประจําสํานักขนาดนั้น จะต้องสูญเสียขนาดนี้สูญเสียเวชยันต์ประสาทสูญเสียเวชยันตรถสูญเสียทิพย์อำนาจทั้นก็พวกเรานี้ก็เหมือนกับว่าอะไรนะพวกแบบประธานาทิดีจะถูกปลดอย่างนั้นนะจะถูกปลดมันเงือท่วมเลยและก็เดือดร้อนมากก็เลยลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าลงมาก็มาฟังธรรมถามปัญหาธรรมะพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระโสดามันรพราะนั้เท้าสักกะเองก็ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าเนี่ย จุติจากเท้าส ก, กะแล้วเกิดเป็นเท้าสักกะใหม่อีกครั้งหนึ่งนะตายจากเทวดาแล้วเกิดเป็นเทวดาซึ่งพระอริยะบุคคลชั้นสูงและพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าตอนเนี้เทวดาองค์เก่าท้าสั ก, กะองค์เก่าตายและเป็นเท้าสักกะองค์ใหม่เรียบร้อยแล้วมันก็ต่ออายุอีกเท่าตัวนะต่ออายุอีกเท่าตัวก็คือ3ามล้านปีเนี่ยนะอันอายุของสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์เนี่ย36ล้านปี ถ้าอายุดูศิก็576รล้านปีเนี่ยอายุของสวรรค์แต่ละชั้นไม่เท่ากันพันท้าวส ก, ก่าเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าได้รับความสุขซึ่งตัวเองเนี่ยจะต้องจากเทวโลกอยู่แล้วแล้วก็เทวดาบางพวกเนี่ยนะจะตายจากเทวดาจะหมดบุญไปจากเทวดาเขาก็อาศัยศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าต่ออายุเทวดาขึ้นต่อไปอีกนี่ของพวกเราทั้งหลายก็มาคิดนะเออเราจะหมดอายุจากมนุษย์แล้วนะเนี่ย และเอาอะไรดีมาต่อเอาบุญต่อไปพบหน้าอะไรดีเนาะเนี่ยก็มาต่อมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเอาบุญอย่างน้อยกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ยังดีใช่หหรือว่าไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั้นเราก็มาต่อเชื่อมต่อบุญต่อไปนะตรงนี้ก็ไม่ได้มาขายสวรรค์นะต้องไม่ทบทวนว่ า, าคือเรื่องนี้เป็นความจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ขายสวรรค์นะแต่เล่าให้ฟังตามเหตุผลทั่วไป ในผู้ที่อย่างพรหมเทวดาบางท่านเนี่ยนะจะจุติจากเทวดาอย่างเช่นสุพรหมเทพประบุเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพระท่านมีบริวารเนี่ยนะมีพนักงานประจำเนี่ยประมาณพันคนเสร็จ แ, แล้วก็มีพนักงานบริวารนี่ไปเก็บดอกไม้เก็บอะไรกันห้าร้อยเนี่ยจุติจากเทวดาเกิดที่ไหนมันเลยลงมนุษย์แต่ไหนไหมรับว่าปกติเนี่ยปกติน่าจะลงมาเป็นมนุษย์เป็นอะไรใช่แล้วเลยจากมนุษย์ไปตกดรกุรโตกัน บริวารเนี่ยตกนรกห้าร้อยพอบริวารตกนรกห้าอเทสุรทพรมเทพบุตรก็คิดไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไอ้บริวารเราทําไมมันลดลงไปดูไปอีกข้างหนึ่งโน่นตกนรกไปแล้วห้าร้อยก็เลยทำไงดีแล้วรู้ด้วยนะว่าตัวเองและบริวารที่เหลือเนี่ยจะตกนรกอีกจะตามไปเพราะนั้นพวกเทวดาชั้นสูงบางท่านเนี่ยรู้ตัวเลยเหมือนกับบางท่านที่เรียกว่ารู้ตัวว่าคดีนี้ตกคุกแน่นอนนะคุกแน่นอนนะเพื่งใครดีอย่างงี้ยนะ เรื่องนะคือบอกบเรียกว่าอะไรนะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยรู้เลยว่าคดีเนี่ยตัวเองเนี่ยคุกแน่นอนไม่แคล้วแน่เพิ่งไครดีนะสุพรหมเทพประบุก็เลยหนักใจมากก็เลยลงไปไปฟังถ<ร>ามจากพระพุทธเจ้าถามปัญหาพระุทธเจ้าพระองค์ก็ตอบปัญหาจบปัญหาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมทั้งบริวารเนี่ยนะขเขอยยังชั่วหน่อยนะคราวโล่งอกไปทีเลยอั้นพระองค์เนี่ยการที่เกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยนะคนโล่งอกเนี่ยมากนะลาบางคนเนี่ยนะพระรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟัง ผมเนี่ยนะถ้าไม่ได้บวชผมตกนรกแน่นอนเลยว่าั้นชแน่นอนในร้อยเปอร์เซ็นตันเอร์เซ็ตตกแน่นอนไม่มีแคล้วว่างั้นเข้ามาก็ามาคิดตามท่านนะนะท่านพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็ามาคิดตามใช่ใช่ผมก็เหมือนกันผมถ้าผมไม่ศึกษาคําสอนนะตกนรกเวยล้านเปอร์เซ็นต์ว่างั้นเถอะนึกไม่ออกว่าจะไปสวรรค์กับเขาได้ยังไงเนี่ยนะถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็เห็นเลยว่าถ้าเรายังปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ทำแลรักษาผู้ประพฤติทธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วถ้ายังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรเราก็พ้นจากทุก์แน่นอนเนี่ยนะแต่เมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งแล้ววางั้นอันพระองค์นี้จึงเชื่อว่าเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกถ้าพระองค์ยังดำรงอยู่ตราบเท่าแม้แต่พระธาตุของพระองค์แปลว่ากระดูกของพระพุทธเจ้า ธาตุยังดำรงอยู่ในโลกก็ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชาวโลกเนี่ยนะมันบุคคลทั้งหลายก็ได้กราบไหว้พระธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเสด็จไปในแคว้นโกศลจากแคว้นโกศลมามาแคว้นกาสีเนี่ยระหว่างทางก็ไปพบสถานที่เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่ที่พวกพราหมเนี่ยเข้ามากราบไหว้ตามประเพณีของเขานี่พราหมณ์นี่ก็วันนั้นนะอะพระองค์ก็มาใกล้ๆสถานที่ตรงนั้นสถานที่เรียกว่าเจติยสถานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของครอบครัวนี้ตระกูลนี้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปถึงพราหมณเขาออกไปทํางานพระองค์ก็ให้คนเนี่ยไปเรียกมาไปเรียกพราหมณ์มาพราหมณเนี่ยพอเข้ามาถึงสถานที่ตรงนั้นเนี่ยนะ ไม่ไหว้พระพุทธเจ้าแต่ก็ไปไหว้เจติยะสถานที่เก่าแก่ตรงนั้นอะ่ะเสร็จแล้วบางคนก็กระทำหนีว่าเอ๊ะ mm hmm. e, พรามนี่เป็นยังไงกันพระพุทธเจ้ามาอยู่ตรงนี้แท้ๆแล้วไม่กราบไหว้พระพุทธเจ้ากลับไปไหว้เจติยสถานพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเนี่ยท่านไหว้ตรงนี้ทําไมพราหมณ์ก็บอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะบรรพพระบุตรข้าพเจ้าสอนให้ไหว้ให้กราบว่าต้องกราบตรงนี้นะบรรพพระบุตรท่านสอนมาอย่างนั้น พระพุทธเจ้าถ้าเป็นเราในพระองค์ว่าไงพระองค์บอกว่าสาธุดีแล้วดีแล้วท่านรู้ไหมสถานที่ตรงเนี้คืออะไรสถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นที่บรรจุพระบระมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนในอดีตคือพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าดีแล้วที่ท่านได้กราบได้วาเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าใครเล่าหนอ จะกล่าวยกย่องบุญกุศลอนิสงฆ์กำไรที่เกิดจากการกราบไหว้พระพุทธเจ้าได้แล้วว่านับจํานวนบุญว่าได้บุญเท่าไหร่เห็นไหมนับจํานวนไม่ได้ว่าบุญที่เกิดจากการกราบไหว้แม้แต่ไหว้สถานที่แล้วลําลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนับไม่ได้หรอกว่าบุญที่กราบไหว้เหล่านั้นเนี่ยมีบุญบุญเท่าไหร่ใช่ไหมว่านับจํานวนบุญไม่ได้ เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรแก่การบูชาแม้กระทั่งสถานที่ที่บรรจุพระธาตุบุคคลที่ไปกราบไปไหว้ไประลึกถึงก็ยังได้บุญมหาศาลจะกล่าวไปยัยถึงไหว้พระธาตุทั้งหลายจะกล่าวไปยัยถึงไหว้บริโภคเจดี JD, สถานที่ใช้สอยของพระพุทธเจ้าตลอดจนถึงไหว้องค์ของพระพุทธเจ้าไหว้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนไหว้ด้วยการปฏิบัติดีด้วยกายด้วยวาจาและ ด้วยใจใครเล่านา้จะนับผลบุญที่เกิดจากการไหว้พระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐเช่นนี้เพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นอดีต ท, ท่านก็เป็นบุคคลเช่นกับหลายท่านนี่แหละแต่ท่านก็สร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมจนได้ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการสร้างบา ร, รมีของพระองค์ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นเท้าสักกะจึงบอกว่าไม่เคยเห็นคนเช่นนี้มาก่อนเลยทั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบันว่างั้นทีนี้แต่ในอนาคตจะมีคนดีเท่ากับพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นนะนะจึงจะจึงจะดีเท่ากันส่วนข้อที่สองอนะนะ พระคุณข้อแรกไปแล้วนะพระคุณข้อที่สองของพระพุทธเจ้าบอกว่าพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยตรัสไว้ดีแล้วสวากขาโตพระวาตาธรรมโมพระธรรมพระพุทธเจ้าสแสดงไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จากัดการ เอหิปัสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนายโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวหมายความว่าน้อมอริยมรรคอริยพนให้เกิดขึ้นในใจของตัวน้อมจิตของตัวไปเพื่อแทงตลอดพระ น, นิพพานโอปะนายโกปัจจัดตังเวทิตัาโพวินโยหิ เป็นธรรมะที่อุคติตัญยูจะพึงรู้ได้เฉพาะตนเป็นธรรมที่วิปปัญจิตัญญูจะพึงรู้ได้เฉพาะตนเป็นธรรมที่นายะบุคคลจะพึงรู้ได้เฉพาะตนนะนะพระอริยบุคคลเนี่ยสา ม, มารถรู้แจ้งพระธรรมเหล่านี้เลยบุคคลที่สั่งสมบุญวาสนาสั่งสมบารมีมาพอที่มีปัญญาก็สา ม, มารถที่จะรู้เห็นอริยสัจโดยเฉพาะสา ม, มารถที่จะรู้เห็นมรรคสัและ นโรธสัจจะทั้งหลายเนี่ยนะนี่ต่อไปนะว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยทีนี้เท้าสักกะกล่าวเป็นใจความที่สําคัญบอกว่าเรานี้ไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้แสดงธรรมที่นําเอามาใช้ได้อย่างนี้อันนี้ใจความสําคัญว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นธรรมที่นําเอามาใช้ได้เอามาปฏิบัติได้เขามีสมัยใหม่อาจารย์มหาไรขั้นหนึ่งก็บอกว่า ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยบอกมันเอามาใช้ไม่ได้แล้วคือคือที่บอกว่าเอามาใช้ไม่ได้บอกเขาไม่ต้องการปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเพราะอะไรเพราะเขาไม่ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วอยู่แล้วนะเขาก็บอกว่ามันหมดสมัยแต่จริงๆแล้วพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนเอามาใช้ได้จริงๆเอามาใช้ปฏิบัติได้จริงๆถ้าผู้ใดปรารถนาจะพ้นจากทุกข์ ผู้นั้นตั้งใจที่ปฏิบัติตามผู้นั้นก็พ้นทุกอย่างแน่นอนและเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้ไม่ใช่ปฏิบัติไม่ได้ที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่เคยคิดจะปฏิบัติตามเลย 2. ปฏิบัติแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองปฏิบัติอะไรไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติเลยเพราะไม่เรียนรู้ให้เข้าใจแต่ถ้าเรียนรู้จนเข้าใจและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําสอน คำสอนเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามได้ถ้าคำสอนเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติไม่ได้พระองค์จะสอนทําไมเนี่ยนะพระองค์จะสอนทําไมพระพุทธเจ้าบอกว่าใครละพระองค์เนี่ยคือบุคคลที่ตั้งความปรารถนามาที่จะช่วยเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากทุกสั่งสมบารมีทั้งหมดมาเพื่อจะสอนธรรมถ้าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยพระองค์สอนแล้วเข้าเอาไปปฏิบัติไม่ได้ การเกิดขึ้นของพระองค์มีประโยชน์อะไร น, นะถ้าใครที่เคยศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะมาเกิดมนุษย์เกิดในยุคสมัยที่มนุษย์อายุไม่เกินแสนปีและไม่ต่ำกว่าร้อยปีพระพุทธเจ้าจะมาเกิดช่วงระหว่างนี้ถามว่าทําไมบอกว่าถ้าเกิดเกินถ้าพระพุทธเจ้ามาเกิดในยุคสมัยมนุษย์อายุเกินแสนปี พวกนี้ไม่เข้าใจเรื่องอความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ถ้ายุคเกินแสนปีความทุกข์เหล่านี้เขาไม่เข้าใจเขามีโรคอยู่3าอย่างหนึ่งโรคโอ้อายุ ย, า ย, ยืนอายุยืนนะนะก็เรียกว่าโรคชราแต่ก็ไม่ได้เจ็บปว่วยไม่ได้เจ็บปว่วยแล้วก็โรคหิวกับไม่หิวมีอยู่3โรคถ้ายุคเกินแสนปีนั้นมีอยู่3าโรคเท่านั้นเอง เนั้นคนถ้าอายุเกินแสนปีเนี่ยพราะพุทธเจ้าประกาศอริยศาสตร์แล้วเขาไม่เข้าใจเขาไม่น้อมไปเพื่อปฏิบัติตามอริยมรรคถ้าต่ำกว่าร้อยปีน่ะบอกเกลเลตแรงเหลือเกินเหมือนอะไรคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนก็เหมือนรอยไม้ที่กรีดลงไปในในน้ําใครเคยใครเคยกรีดไม้เล่นในน้ําั้นนะนั่นแหละบอกเหมือนกันบอกว่าถ้ายิ่งสมัยใหม่ด้วยนะบอกเหมือนอะไรเหมือนรอยไม้ที่กรีดลงไปในกระแสน้ําเชี่ยวว่างั้นนะควักจบแล้วหลบเลยนะ บอกว่าพันบางอย่างเนี่ยยังไม่ทันลุกเลยลืมหมดแล้วเหมือนกัหัวชั่วโมงท้ายชั่วโมงเอ๊ะตอนชั่วโมงแรกพันพูดเรื่องอะไรบางที่ยังแทบจะจําไม่ได้เลยเพราะงั้นเขาเรียกว่ารอยไม้ที่ขีดในกระแสน้าเชี่ยวถ้ามนุษย์อายุมกัมยกยุคอายุน้อยๆสติปัญญาจะลดน้อยถอยลงไปยิ่งอายุสั้นยิ่งปัญญายิ่งน้อยนะอย่าไปคิดว่าฉลาดมากขึ้นอะไรไม่ใช่เลยมันพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นธรรมะที่นําเอามาใช้ได้จริงๆ นะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามสามารถที่จะพ้นทุกข์ลองรักษาศีลอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําดูหรือไม่ลองให้ทานอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนดูแล้วทําอย่างต่อเนื่องในระยะเรียกว่าทําเป็นการเป็นงานทําจนชั่วชีวิตยอมเคยได้ยินไหมว่าคนให้ทานแล้วไม่มีจะกินให้ทานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนี่นะเกิดมาพ่อแม่สอนให้ทานและให้อย่างถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประการ แต่ยิ่งจนจนจนจ น, จนทุกวันเนี่ยนะเพราะให้ทานแท้ๆยงเคยได้ยินไหมจริงๆแล้วไม่เคยได้ยินแปลกนะคนที่ให้ทานนักให้ทานจริงๆแล้วไม่จนอย่างที่ที่รู้จักหลายๆท่านมาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นคนมั่งมีอะไรนะเขามารู้จักคน ท, ที่ที่พูดแบบนี้เนี่ยนะเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามคนเขาถามว่ามหาเศรษฐีแค่ไหนบอกเกินพันล้านก็นแล้วกันเขาบอกว่า เขาเป็นนักให้ทานชนิดที่เรียกว่านะอย่างคนหนึ่งเขาบอกเขาผัดก๋วยเตี๋ยวให้ทานในวันละร้อยกิโลอย่างนะเขาบอกเขาก็ไม่เคยเดือดร้อนเลยเมื่อคืนนี้ก็ฟังโยมคนหนึ่งเขาเล่าเขาให้ทานเนี่ย เขาให้ปีหนึ่งเยอะมากเลยแต่เขาก็ไม่เคยจนลงเลยเขาฐานะเขาก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้หลายคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้แต่ในเรื่องให้ทานถามว่าถ้ารักษาศีลตามคําสอนจริงเนี่ยนะศีเลนะโภกสัมปทาผู้ที่รักษาศีลแล้วดํารงอยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้นั้นจะมีทรัพย์แต่มันต้องรักษาศีล น, นะรักษาศีลกับรักษาสติ๊กเกอร์ของศีลเนี่ยไม่เหมือนกันเออวันนี้เห็นไปทําชั่วอะไรเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ไม่ได้รักษาศีล น, นะ แต่ถ้ารักษาศีลเนี่ยเจตนาคือตัวศีลรักษาเจตนาศีลรักษาเจตสิกศีลรักษาสังวรศีลรักษาความไม่ล่วงละเมิดเป็นศีลรักษากุศลศีลศีลเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลถ้าง่วงเป็นศีลไหมจะว่าง่วงเป็นศีลไหมไม่เป็นโกรธเป็นศีลไหมไม่เป็นคิดเรื่องทั่วๆไปเป็นศีลไหมไม่เป็นแล้ววันหนึ่งคิดถึงศีลกี่ครั้งเนี่ยเรารักษาศีลเท่านั้นทีนั่นไง บอกโอ้ยมีศีลมานานแล้วเพราะนั้นบอกแล้วคุณคิดถึงศีลมัล้กี่ครั้งอ่ะแล้วบอกถ้าไม่เคยคิดถึงศีลน่าจะมีศีลได้ยังไงศีลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจถ้าใจเหล่านั้นเนี่ยแล้วใจไหนล่ะถ้าใจที่มีศีลก็ต้องใจเป็นที่ใจคิดถึงศีลปรารบศีลระลึกถึงศีลใจแบบนั้นจึงจะเป็นใจที่เป็นศีลถ้ารักษาใจที่เป็นศีลตัวนั้นให้ดีๆและต่อเนื่องอนนี้ศีเลยนะโพคสัมปทาผู้มีศีลคือผู้มีทรัพย์เนี่ยนะ ผู้มีศินคือผู้มีทรัพย์ยิ่งถ้าหากว่าคนให้ทานด้วยแล้วก็ให้ทานแก่ผู้มีศีลด้วยและผู้ให้ก็มีศีลด้วยทานอันนั้นมีผลหาประมาณไม่ได้ทานอันนั้นยิ่งเป็นทานที่มีผลมากและมีอันิสงส์มากอันิี้สงแปลว่ากําไรกําไรนี่งามเพราะอะไรเพราะว่าศีนเนี่ยพันในโลกนี่สิ่งที่เป็นสาระก็คือกุศลธรรมทั้งหลายกุศลจิตทั้งหลายเนี่ยเป็นสาระ อย่างพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าถึงกุศลธรรมเนี่ยชั้นสูงที่สุดเนี่ยนะประณีตที่สุดดีที่สุดนถ้าทำที่พระองค์สอนเนี่ยสอนให้อะไรก็สอนให้เจริญอธิศีเนี่ยให้ความคิดเนี่ยเป็นศีลให้บ่อยๆยาวๆและต่อเนื่องเนี่ยนะบางคนก็บอกเออสีเขามีแค่ห้าข้อหนึ่งของสามสี่ห้าปานาธินาการ ม, มีโมษาสุราเว้นจากการขาลักทรัพย์ประพฤตผิดในการพูดเทพดื่มสุราเมรัยจบบอกว่าเอ๊ะนั่นก็มีอยู่เท่านี้หรือ บอกนั่นคุณรักษาชื่อคุณไม่ได้รักษาศีลนะคำพูดไม่ใช่ตัวศีลแต่ความคิดคือตัวศีลถ้าคิดถึงศีลได้บ่อยรักษาศีลบ่อยถ้าไม่เคยถึงศีลคิดถึงศีลเลยก็ไม่ได้รักษาศีลเลยไม่ได้แปลว่านั่งดูทีวีทั้งวันแล้วแปลว่ามีศีลนั่งใจลอยไปเรื่อยเอานั่งใจลอยใจลอยถึงศีลหรือเปล่า มันก็นั่งใจลอยนั่งคิดไปเรื่อยนั่งคิดโน่นคิดนี่คิดไปเรื่อยเปลื่อยตามเรื่องตามราวดินน้ำลมไฟคิดถึงพี่คิดถึงน้องเป็นต้นเอ็มศีลข้อไหนอะนับดูที่หนึ่งสองสามสีห้าเขรียกว่าจะศีลคือข้อละนะแล้วศีลคือข้อปฏิบัติละ่ะศีลที่เป็นข้อปฏิบัติคืออะไรก็คือปฏิบัติบำรุงพ่อแม่เป็นต้นไหมะนะข้อการบำรุงบิดามารดาก็เป็นศีลศีลที่ประเภทข้อละกับข้อ จเจริงศีลข้อละก็คือละจากเจตนาแห่งความชั่วหประการรักษากุศลเจตนาเหล่านี้ให้เกิดบ่อยๆเกิดเยอะเยอะและต่อเนื่องรักษาคุณภาพศีลเนี่ยเป็นซัพย์บที่อยู่ภายในอยู่ในใจของเราถ้าเราคิดถึงเขาบ่อยเขาก็มีบ่อยนะคนที่รักงานจ ะ, จะเจริญในงานคนที่รักศีลก็จะเจริญใน ศีลศีลเนี่ยก็คือคุณธรรมที่อยู่ในใจถ้าเราตั้งใจอธิษฐานสมาทานบ่อยๆศีลก็เกิดได้บ่อยๆถ้าเรารักษาว่าทรัพย์ตัวนี้เจตนาตัวนี้คือสิ่งที่มีค่ามีสาระนําให้เกิดเนี่ยนะทีนี้เราก็มาคิดดูบอกว่าเอ๊ะศีลเนี่ยนะถ้าเราสมาทานครั้งเดียวก็น่าจะพอทําไมจะต้องสมาทานให้มันบ่อยๆด้วยบางคนเขาคิดอย่างนั้นทำไมต้องสมาทานศีลให้บ่อยๆ สมาทานครั้งเดียวตื่นเช้ามาสมาทานทีเดียวหรือไม่วันพระหนึ่งสมาทานสักทีเดียวก็หมดเรื่องจบพอแล้วเอางี้ดีกว่าถ้าหากว่าเราฆ่าคนถ้าฆ่าคนหนึ่งกับฆ่าสองคนอันไหนมีโทษกว่ากันฆ่าสองก็มีโทษกว่าถ้าฆ่าสองกับฆ่าสิบอันไหนมีโทษกว่าฆ่าสิบคนก็มีโทษมากกว่าฆ่าสิบกับฆ่าร้อยไหนมีโทษกว่า ค่าร้อยมีโทษกว่าถ้าค่าคนหนึ่งกับค่าสินค่าร้อยกับค่าล้านคนไหนมีโทษมากกว่าก็ค่าล้านก็มีโทษมากกว่าแล้วศีลทําไมเราต้องคิดแค่ทีเดียวแค่ <c oughs> ครั้งเดียวก็พอทําไมก็ให้คิดให้เป็นสิบครั้งเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งเป็นแสนครั้งเป็นล้านครั้งคิดจนว่าแหมทุกความคิดเป็นไปกับศีลหมดเลยจนกว่าจะถึงขนาดนั้นศีลที่คู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลในศีลระดับไหนยังรู้ไหม เหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างว่าบอกว่าเป็นยูชนในโลกนี้จะเข้าใจเนื้อความเข้าใจความหมายอธิบายได้ก็ต้องอาศัยเปรียบเทียบหรืออุปมานเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าถ้าแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินนี้เป็นที่เจริญแห่งอะไรบ้างพีชคามคือต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายภูตคามคือต้นไม้ทั้งหลายต้นไม้เหล่านี้เจริญงอกงามที่ไหน ต้นไม้เหล่านั้นตั้งอยู่บนแผ่นดินอาศัยแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยปุย๋ยแล้วจึงจักเจริญงอกงามได้ชันใดภิกษุผู้ที่จะเจริญคุณธรรมชั้นสูงเจริญสมถะและวิปัสสนาเจริญข้อปฏิบัติเพื่อบรลุษมรรลนิพพานต้องอาศัยอยู่บนพื้นฐานคือศีลอยู่บนพื้นฐานคือศีลเพราะฉะนั้นศีลจึงเหมือนแผ่นดินฉะนั้นหรือเหมือนอย่างว่าสัตว์ ทวิบดจตุบาทเนี่ย น, นะท ว, วิบทแปลวสัตว์สองเท้าจตุบาทสัตว์สเท้ายืนเดินนั่งนอนโดยปกติโดยมากอาศัยดินอาศัยพื้นดินจึงทํากิจการงานทั้งหลายได้นะทำกิจการงานทั้งหลายเพราะ อ, อะไรตัวเองตั้งอยู่บนดินแล้วทํ า, างานได้บางคนบอกมาคิดเลยทงบอกอ๋อแล้วนั่งเครื่องบินอ่ะเครื่องบินมันไม่ใช่ธาตุดินเหรออยู่บนธาตุดินอีกนั่นแหละพผลโดยที่สุดต้องอาศัยอยู่บนธาตุดินแล้วทํากิจการงานได้ฉันใด ผู้ที่จะอบรมสมถาวิปัสสนาเพื่อการบรรลุคุณธรรมชั้นสูงก็อาศัยบาตรฐานคือแผ่นดินที่จะปฏิบัติข้อปฏิบัติหรือจะเจริญอริยมรรคเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิธิบาทอินทรีย์พร ะ, ระโพชฌงและองค์มรรคเนี่ยต้องอาศัยศีล น, นี่ถ้าหากว่าเราบอกเออแนะ่ฉันจะทําสมาธิเลยฉันไม่คิดถึงศีลแล้วสมาธิจะไปแขวนหรือตั้งอยู่ที่ไหนเอาถ้าเราไม่ถมศีลเอาไว้ในใจของเราให้ใจของเราเนี่ยเป็นไปกับศีลไว้กับทุกเรื่อง ทั้งจารีตศีลและวารีตศีลเอาไว้กับทุกเรื่องเท่ากับทุกเหตุการณ์เนี่ยนะถ้าเป็นพระพิสูจน์ที่เรียนวินัยมาดีเนี่ยน ะ, อะลองถามท่านดูว่าตรงไหนที่ท่านมองไม่เห็นศีลของท่านเลยมีไหมถ้าเรียนวินัยมาดีๆนะี่ถามดูเถอว่าตรงไหนที่ไม่เป็นศีลของท่านมีไหมถ้าหาเจอนะเขามาว่าโอ้โหเก่งมากๆเลยแต่เชื่อไหมเขามานึกไม่ออกเลยตรงไหนที่ไม่ใช่ศีลของพระมัง่งที่ไหนอย่างไรเมื่อไรที่ไม่ใช่อารมณ์ของศีลเนี่ย นึกไม่ออกจริงๆเพราะมองทุกเห็นเนี่ยมองเห็นโยมก็เห็นศีนลนะใช่ไหมคนนี้เนี่ยสามารถทาให้เราทุกศีลได้กี่ข้อมองเห็นปรับรู้เลยของโยมเนี่ยถ้าหากมองเห็นมาทักทิ้งว่ถ้ามองเห็นบางอย่างเนี่ยในตานาติบาตมาแล้วเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้นําไปสู่การฆ่าเรื่องนี้มันใกล้ต่อทุจริตนะเช่นเรื่องสะตุ้งสตังเป็นต้นก็มันใกล้ต่ออะไรใกล้ต่ออาทินนาทานเพศตรงกันข้ามเป็นต้นก็ใกล้ต่อกาเมีพูดคุยก็ใกล้ต่อ มุสาเป็นต้นถ้าเห็นขวัญเล่าเป็นต้นก็ใกล้ต่อสุราหรือบางทีแค่เพื่อนเก่าเห็นหน้าเพื่อนนั่นก็หมาคิดถึงเล่าอะไรอย่างเี้เป็นต้นเนี่ยนะ เ, เหลียวดูอยู่คนเดียวนะมันก็อันนี้นะย้อนกลับมาว่าคือเรื่องทั้งหลายหล้วเนี่ยมันใกล้ต่อศีลพันน่ะมองเห็นอะไรภาพก็ต้องมองเห็นศีลได้ที่ไหนทําชั่วไม่ได้มีไหมอยู่ว่ามีไหม ถ้าที่ใดทําชั่วได้ที่นั่นเป็นที่ตั้งแห่งศีลได้เป็นที่ตั้งแห่งความดีได้ความคิดของเราต้องเป็นศีลแบบนี้บ่อยๆมันจึงจะรองรับอรองรับสมถะและวิปัสสนาบางคนเนี่ยพอเจริญกรรมฐานปั๊บเนี่ยมันเรื่องอื่นจะเข้ามาเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องที่ทํางานเรื่องต่างๆจะเข้ามาทั้งหมดบอกไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะกุศลศีลเราไม่ดีพอบอกว่าเรารักษาศีลมาตั้งนานบอกใช่คุณรักษาชื่อของศีล พูดภาษาชาวบ้านอนะไรก็รักษาสติ๊กเกอร์ศีลเนี่ยแปะยี่ห้อว่าศีลมานานแนละ้วบอกว่าเหมือนกับเราเนี่ยบอกโอ้รักษาบอกเป็นชาวพูธมานานแนละ้วบอกพระพุทธเจ้าคือใครบอกไม่ก็เจ้าชายศิทธถะเออแล้วพระพุทธเจ้าต่างจากคนอื่นยังไงก็เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งแล้วออกมาบวชเออท่านบนรรลุอะไรท่านบนรรลุอะไรทำไมจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าเฮ้ยอย่าไม่เชื่อก็อย่าไปถามกันนะนะเปลี่ยนเรื่องไม่มีเรื่องจะคุยกันนะใช่ไหมกำลังนั้นนะ ก็คล้ายๆเป็นแบบนั้นนั้นเร า, เานับถือพระพุทธเจ้าผู้ทางสารานาังข้าฉามิารักษาผู้ทางสารานาังข้าฉามิมันดียังไงทำไมเราต้องอยังงนั้นจะอธิบายไม่ได้ซะส่วนใหญ่